คุณค่าแห่งโพธิจิตขอนอบน้อมแด่องค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมกายพร้อมทั้งเหล่าพระพุทธบุตรผู้สมควรแก่การบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าขอแสดงซึ่งวิถีทางแห่งโพธิสัตว์โดยสังเขปจากพระสูตรไม่มีสิ่งใดในที่นี้ ที่มิได้มีผู้อื่นกล่าวมาก่อนและตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้ด้อยด้วยทักษะในการประพันธ์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมิได้มุ่งหวังจะแสดงสิ่งเหล่านี้เพื่อใครนอกจากเพื่อการพัฒนาจิตของตนเพียงอย่างเดียวด้วยสิ่งนี้พลังศรัทธาของข้าพเจ้าในการเจริญกุศลย่อมเพิ่มพูนขึ้น ยิ่งกว่านั้นหากมีผู้ที่มีนิสัยคล้ายคลึงกับข้าพเจ้าได้ศึกษามันนั่นอาจยังคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เขาโพธิจิตจิตที่มุ่งมั่นต่อการรู้แจ้งหลุดพ้นอันสูงสุดเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งปวงให้พ้นทุกข์เนื่องเพราะมีเหตุปัจจัยอันเหมาะสม พร้อมทั้งสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากยิ่งและมันจะนำมาซึ่งความสุขของโลกทั้งมวลหากใครพลาดโอกาสที่พิเศษเช่นนี้ที่จะศึกษาปฏิบัติแล้วเมื่อไรจะมีโอกาสเช่นนี้อีกแสงสว่างจากฟ้าแลบย่อมช่วยขจัดความมืดมิดแห่งค่ำคืน ที่เต็มไปด้วยหมู่เมฆได้แม้นชั่วขณะชั้นใดบางครั้งด้วยอํานาจบารมีแห่งองค์พุท ธ, ธะจิตใจของมนุษย์ก็สามารถจะน้อมนำไปสู่บุญกุศลในชั่วขณะได้เช่นกันด้วยเหตุที่กุศลธรรมมักจะอ่อนกำลังอยู่เสมอในขณะที่กำลังแห่งอกุศลธรรมเข้มแข็ง และรุนแรงน่ากลัวหากปราศจากซึ่งโพธิจิตกุศลธรรมอันใดเล่าจะชนะมันได้ผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายในสังสารวัฏผู้ที่ปรารถนาจะขจัดปัดเป่าทุกข์ทั้งปวงของสรพพสัตและผู้ที่ปรารถนาพบความสุขอันยิ่งย่อมไม่ละทิ้งโพธิจิตและ จิตที่กำลังนำเนินไปสู่การรู้แจ้งอันสูงสุดเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์แม้ว่าการตั้งปรารถนาโพธิจิตจะมีคุณประโยชน์มากมายแก่สังสารวัตรแต่มันก็ยังคงเทียบไม่ได้เลยกับกระแสะแห่งบุญกุศลที่จะหลั่งไหลอย่างไม่ขาดสายสู่จิตที่กำลังนำเนินโพธิจิตนับตั้งแต่ เธอตั้งจิตปรารถนาอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้หลุดพ้นกระแสะแห่งบุญกุศลอันกว้างใหญ่ดุจท้องฟ้าย่อมไหลรินสู่เธออย่างไม่ขาดสายแม้ยามเมื่อเธอหลับหรือยามเธอหวั่นไหวข้าพเจ้าขอน้อมคารวะ แทบกายของท่านเหล่านี้ผู้ซึ่งบังเกิดโพธิจิตอันเปรียบดั่งแก้วมณีอล้ำค่าผู้ซึ่งเป็นดั่งเหมืองแห่งความปีติสุขผู้ซึ่งมอบความสุขให้ได้แม้ต่อบุคคลที่ทำร้ายท่านข้าพเจ้าขออาศัยท่านเหล่านี้เป็นสารณนะ